ของข้าได้รับฟัางในนิทานเรื่องนาคกัมภาหนามตาแม่หมายให้ย่อมพอย่อมเมของข้าได้รับฟังเพื่อเป็นคติกตังเตือนจิตใจของบุคคลทั่วไปในการสา่งนามบำเพ็ญบุญทำคุณงามความดีต่อไปในเมื่อ น, นีอ้เพื่อบอเป็นการเซเวลาอัตตมาจะมาสมมุตัญญาสันท่านุมติซึ่งกันและกัน ในการสร้างนะในการเทศเทศนาเป็นทํานองแหลสรรพันยากถาแหละเสียงอีสานให้พีพีพน้องๆพอญาตเมญโยมชาวบา้านพาแก้วได้รับฟ้างอขอเสนอองค์แลกซึ่งนางโยทังดานสายมืออัตมาแต่เป็นขวามือของพอญาตเมญโยมอง์นี้ให้นามวาทันพระจันทร์สวีใช่ธรรมัทโร ประจำโยวัดบันสว่างตำบลคีเล็กอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเนี่น้อมถวายตําแหน่งให้ท่านแสดงเป็นลูกชายให้น้ำบานนาที่ระัตดบุตรชายในทองเรืองนาค ก, กัมพาและอีกองค์ที่สองซึ่งนั่งอยู่ทั้งด้านขวามืออัตตมาแต่เป็นสายมือของพญาตยมยมองค์นี้มีน้ำบาทันพระจราาันแกวสุวิโร ประจําโยวัดบ้านน้นเรี่ยงตนนําบลนองสโนโน่ออำเภอบุญทะเลจังหวัดบุรีรัราชธานีเมื่อ น, นี่น้อมถวายตําแหน่งให้ท่านแสดงเป็นย่าแม่เศรษฐีซึ่งมีน้ำบาตรติมพระรเศรษฐีในในิท่านทองเหลืองนาคกาัมภาส่วนตัวอัตมาภาพท่านพระอาจารย์ไพวัฒนธรรมาป่าโลประจําโยวัดศรีสงาวนา่ารามบ้านค่ําเจริญตําบลแสนสุขอำเภอวารินชลาราบจังหวับดบุรลรราชธานี เมื่อ น, นี้มารับตำแหน่งแสดงหน้าที่ในนีท่านนีน้าบา่าคุณแม่เซาวันนี้ผู้เลี้ยงลูกกัมพาผัวายนี้จากผักลูกหน่อยท่อนทอพอบอมีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตัดสมาสาธทวมเบื้องหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญชวนมวลโมคณญาตพี่น้อง หันสตปัสสัตทั้งสองมารองรับพุทธพรถพระสธรรมะเทศนาของท่านพระอาจารย์สวิชัยรับแล้วหน้าที่นายทีรวัตรเสืบต่อไปด้วยสัจจะเคารพเป็นอันดีเทินจเจริญพรก่อนสิบเอาเขาในเดืองในท่านท่าก่อนสินห้าคำสอนมาว า, วากันให้มันเกี่ยง มาเทศเสียงทานองแหลแปรคำพี่มาชีปองนํามาปดพี่น้องจัดท่าฐานปูรับฟังบริวังข้องโดโช่พล ง, งานขนาดเอกยาวเฝาเวกเบบยกรลอปัดยํำห่อแล น, น่อยเศร้านั่ดังแล้วแต่เริิมเข่าอาดีตเก่าเข้าหลังบอผิดทางข้องเดิมมาแตงเติมเ้ใสเกี่ยงทานองเสียงอีสานเขา่าโบราณเฮาบรป่าปอย เทศมนีเรื่องนาบกัมพานาบตาเม่ใหม่สัมจอยศรัทธาทานผู้รับฟังสามอาจารย์อยู่เขตไข่เอาใจใส่จนสมปองอาจารย์ไพ้วั่นเสียงท้องมาอ่อยเสียงเลี่ยงบั่นพาอาจารย์แกวเสียงสวรรค์ช่ำมาวันย้ายถ้ำมันลำคาอาตมาอาจารย์สวีใช้ภูมิปัญญาบ่อแก่กามาเสิบสอนประยุกน้ำแสกว่าถ้ำน้ามดเยี่ยมเตรียมมาโปดตวกทาน สำนักเทศธรรมท่านเสียงธรรมพราผวกท่านแดงจีแถลงเดืองเดืองนิทานบัณฑิาตามาภาพอาขอนำเนินนาทีหน่ายหนุ่มที่วับาดซึ่งกำาพาพอมาตังเตยา ว, วัยอาศัยเพียงบรรดาที่ชื่อว่าแม่เสาวณีทำหน้าที่ดูแลรักษาจนอายุย่างผ่านมาได้20ปีบริบูรณ์พอดีขณะนี้พวกชายหนุ่มทีอยอย่อยู่ในหมู่บ้านพุนนาคาม แหวงเมืองพราราณาสีต่างก็พากันหนีออกจากบ้านไปเข้านาเพื่อฝังฝากซึ่งกายใจเอาไว้กับพระพุทธศาสนาแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดจึงพูดรบเร้ากับแม่ศสา ว, วนีเป็นมันดาออกไปว่านี่ละเมอเอ้ยเมเพื่อนว่าของดิฟนั่นเป็นพาหานะ้นำฉะโรกได้ไมเอ้ยหากแค่สุกก็แล้วจังกินนันปลอดโรคภัย ลรอุ ป, ปมาไม้คือ ก, กันกับข้นใบบวชได้เยี่ยนต่อแมยส่วนส่วนของสุกนั่นปลอดโรคลายคือค น, น, นดได้บวชดเยี่ยนเราโมโหเดียว ก, กันกับผมหนี่ต่างเข่ากับผ้ากันไปเข่าหนากเข่าวัด บ, บดแล้วเราปันได้นอเราเกี่ยวสื้ผ้าที่ราบัดนี่เข่าเป็นหนากแมย์เอ้ยรือ้อเสียดุไ้เต้านี่จ่างเราใบเดี่ยงง้อจูจังสี่บอมี่มือสิ่ได้บวชเดี่ยนสันติแมย สามาตาปน้าฝ่ายว่าแม่เสาวันียินบาจีทีละวัดผู้บุตชายกำพระพ่อเช่นนั้นเกิดัดอันตันใจเพราะอะไรต่างก็ขาดแขนถ้าหากว่าสามียังไม่ตายคงสบายไม่อาจถแต่อย่างไรเลยจิงเงื้อนเอ่ยกับบุตรชายผู้กำพราออกไปว่าทละวัดเอ้ยลูกหลา ลิบเดือได้ต้องทนย่ำเป็นน้ำไฟเผาจีเด้อคั่เด้อการบวชเลียนแสนดีแม่บอคัดแม่บอคานจนใจผ่าสีบวชเลียนลูกเอ้ยห้ามันลูกกำผ่ากำพ่อยพอกับบอมีน้ำบาดน้ำเมืองเพิ่นเห็ดจังไดแบักถวปีหนาปาาไม้ขายเข่าใดจังคอยบวชทนนละนี่ละเมเอ้ยม่วนโมยาดพี่น้องกับไฟทั้งพอห้าบอมีสันบ่เม หรือว่าสั่นกระซุ่มแซงเผาพันทั้งเจ้าขันเมล้องไปปรึกษาเวบาคงมีทางอยู่หน้าเมยเอ้ยฮาพวกพี่น้องเพิ่งสร้อยได้นันดีเมยพี่น้องของตาห้างบ่มีสันติเมยเอ้ยอย่าไปว่าน้าหวัว ม, มันถอดเหลืองพีเหลืองนองถูกพันบ่บ้าดีมิพันจังบาพี่น้องลุ้งปากกับว่านลานอเอาฟ้ามา โซฟ้าวเบิงยมันหนกช้ำใดกันเป็นแม่ห่างนางใหม่เพราะว่าบมียูชอนถูกหยากอานหน้าถาซ้ำใดบ่าวเบิ้งบยเฮ้ยมันเป็นแจงไดไม่ห่างแม่ใหม่มันถูกหยากชำใดเนี่ย ลานสนเจ้าเสืออพวมเป็นเคราว่องวานนำ้ำเธอด้านพุนทศาานขอเวลาแรงอ่อกาดบ้าให้ฟังตามเนื้อเรื่องพันดยังขอภาคธุนน่ะและเยียนเสียงฟ้าห่วงปวงกําไฟสาวเทียนและเจตวัน นัลลหลวงพุทธองค์พระนารายณ์ฟ้า ต่างทำปังลงแนนบองอนเง้งนคแค้นเป็นสันเก้าดอกปองเปลียนละอป่ามาคือเสาเงียนเสลาแรงอันแก่กาแสนล้มตองบวันเวินบรรดาทำคำสอนถึองสาวกบรรทุกไวในเกี่ยนใหญ่มาสมองจันเป็น ก่างขลวนออกแผมไพยจอดโดยทั่วละละงางัวเิ้นติ่เกียนซีลามวนพระธรรมเส้นาบ่ยอมย่างดอกพังพรละและผู้ทราบซึ่งต่อคำสอนออกบทเรียนต่อเพนสั่งขันใหม่มันตอนนพันน้ำ อเอองานปานเพืนีการบวชนันบอกเคยลดดอกลงถอยพอแม่พอ ย, ยินดีน้ำหากลูกต้นทนได้ละได้บวชเรียนปฏิญาลกาวเศร้าผู้พันมเมีงแบ่งความเพ่งเพ่งไว้จำใจสิหมดหน่อยบนหลเพื่อนนั้นบเ่เลือดดอนประสรงได้แต่ส่วนบูน เพราะที่เกิดบาปบุญคือพวกบัวบอพอกินดอกหญ้าหยิ่งหยาขาดทั้งเสียงทั้งตามเนวเสียจับจังใหญ่ใจลงประสรงเสื่อมเออผัวบางคนเถื่อบาบุญลอนประดามวนวังวันญาติพี่น้องได้สู้โยลละนาสงแสนผัวบางคนได้บวชลูกคนหนอ่ เจ้าความพาพ้นบวดเอาและความเสื่อได้เลยว่าว่าเห็นตอนใช้ผ่าเลืองนะแต่ความอับจนบ่อยากทำพ่อเนิดบ่อยากเป็นซ้ำพอเดียม สาววันนี้ผู้ตนคข่ผูวเมียมมยที่พวนตายในข้านีบ้บ่แปลกต่งละลูกอยากเดินตามทางมาค่าทำผุนถ้าจอดสดอวกเอาอ่างน้ำตา่าโอ้ยอะลูกข้ามเอื้องโอ้ ลวงลามผู้ฟ้าแตงอีกแทนแปลงเมียเนื้เมียอยากยังแพ้สียเลือองที่หัวเข้งของคำเก่วแต่ว่าเส้นบสมเลาอยากให้เพั่นมากินแมกาบาดแผลนักลูกเก่าม เลือกเมียหน่นะเอาเม่นี่แมีทําตรงสิ่งกะเพื่อเจ้าบ่ามีห่วงคมกะบุญเผื่อหนักหนักบุญบุเขามีพอถือพาตายล่ะบ่เสียใจพอ เจ้าหนีนาผู้พ่อตายแม่นี่พอทนเงือนเดือนเลยน อ, ยนอเพ่งเสียมล า, าดูอ่างของแม่ผู้มัแดดแสงแม่เปลี่ยนดอกลา ลูกเม่อหนะเกีตัวต้สาท้งสองทางไฟกรําอันตาใสาเพินบ่เลิ่มมีละเมียพวกพี่น้องน้ำแต่พอเจาดตายป่าลูกคําเมือ เพื่อนบงหันมามองก็ทังถึงจนเดียวนี้แม่อยากเพ้อบ่แพ้แล้วแต่ว่ามันจําเป่าล่ะเจียงจํานางดอกความจ้น ลือแม่ใจอยากบวดในลูกน้องแต่เงิน น, นแม่บ่มีสันต์ดอกน้ำละลือดขาม ที่ลาวัดเ อ, อ้ยแม่อยากเห็นสันฝาที่เพิ่นบาสาขาไรต่จำใจตกนะโรกง่อนบอ่มีกุศลคำคำในอุปะมะด้วยอยากให้ตนลูกเจ้าบวชแต่ว่าเเขานั้นถูกให้จะไปเบ่าให้เพิ่นหยันทอนลูกหลานเนาะปีหนาขายข้าวเจ้าได้แม่จังสีบวชให้นอาอเท้าเอ่มประพัดวันประกันพุ่งอยู่จังสี่ย่มได้สิบบวชเมอายุกยีสิบปีขามาแล้ว แล้วมู ล, ลุ่นเดียวกันเขาก็บวดแล้วดูกเต้าก็ยักปวดสันตัวแม้อ้ยเหตุจังได้แม้เพมีก็จําหาสันตัวโอ้โฮสิไม่ต้องห้องเต้าไห่มันที่ได้ปวดก็เคลือสันติแม้ไห่แม้มันหนดตัว อัพอมึงกระยานต้องต่บอได้ลมได้ไตเนี่ยไไปแล้วก็มีกี่ที่ปันป่อยยันล้มตุ่มบอกตอบนันถึงก็ได้นี่ยยาสีไปปล่อยพ่อตี่งานที่เหตุบุญเหตุฐานจ้าสีลโรสิบวัชจ้าสีมันคือเทตน้ำกูจำบะบูแลเออให้จังได้สามคนตายแล้วบอกว่าแม่พางเบิงมันไม่สัดท่าํำได้ในการบวชเลียนเขียนอ่านหนาเออเอาภาก็ฟังแม่ดูเต่าสี่ยวโซฟัง เมื่อนา ลาใจเแขยงก้านามตาควาเด่น้ององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององององยงองององององององององององององององององององอ ละขำวนเป็นไปหวนละข้ามหัอนทะาแรงการถูกสานฟองเป็นโทษได้ยิ่ซ้ำบ่มีหวัวใจที่ละบัดดูกำผ่ามาได้หมายอังได้คำดกพอและเอออออ โอยอยากเปเรียนเรื่องแก้วข า, า, ขาดดั่นแสงเสียและในที่สุดได้เป็นหินอีกกว่าทรายที่เอื้อขามและเห็นมันด่านั่งมองเศร้าเรื่องนี้เกิดจากตนของเฮาผู้ลูกเต้าน้อเฮ็ดให้ปวดและโอนแก้วเม่นั้นจึงเสียขวัญย่อน บ่สามารถช่วยให้เห้านั้นได้บวดสวงและกวัามาเดอนเดอนฟองอาสนิยตผู้มันดานดอกด่นหหน โอ้ผมาความบูราของอ่างออคันหกเอาคันสี่เสาคือขีลาย่บอยอมจมบอย่อมพ่ายคือเฮาในเช้านั้นขีละยอยบ่อยากโอ้กะได้อวยหอนบ่าเค็นและยาวหมอนเข็นเป่าขึ้นแล้วสัทธาจังสิดาเปยโอ้ยละโทษทอดเดือ Yeah. คุณแม่เอ้ยกับเฮโนอ น, นั้นก็คือใหม่และไงก็ตามพวกสมัยน้อยละลูกนี่คอยวันนี้นับว่นนั้นเต็มที่อีกโยนลดนยิงย่างเต็มแกและอยากบวชเทียนแทนคุณแม่อุทิศบุญให้พ่อเจ้าเ้ล่าวมวยว่าไว้คันและขั้นบบวช ด, ดอกวาสันคือจังลูกนี่ขี้ลายใช้ปนเฮ ยังโสดๆและอยากบูดินนี้หายไปผัวหัวที่เมืองแมวและขวแก่มันลอดาแก้วและปวดเห็นใจดูกใช้ผัวผู้ก่อยตานเดือบเอาละโตและญาติพี่น้องทางพ่อหรือทางต้นเมน่นพันสังนัวเก่าดอกว่าสังนาและเธอนีพันอาจดีบ้างเมื่อหูวเขานอกกันกูส่วนว่าด้านตัว พูพ่อตายสิบวดทรงบาสินซอยละบัวสวยหลายกาสิซอยหน่อยละโมทะน้ำต้นด่านพู้กรมพาบอดมีพอละเมีควนไปดอกเบาโตาละสูมบ่วงสาโนขันเบางบางบางเธอพนนั้นซอยอได้เด้อศีหหน แม่ล้างอลางห้ำล้าเด้อลาแ ม, ม่ ตเมยเอ้ยต่อหาสิบเขาเสียงลายถึงมาเคียนตายเป็นผีกะบอดีใจป่านข้าบุญไผได้ยินดว่วนเรื่องระตตาเมยเอ้ยเมยกะล่องไปจ่าล่องไปเว่ากั บ, ก บ, กบสองกัมเบิงรู้มยเอ้ยเธอหาบุญดูกถึงของพลาซอยเกลือม้วนบ่วงสาเสื้ออาดซ อ, อยเข้าได้ตัวละเมย์แล้วเดี๋ยวนี้เฮ็ดแจงได้เมย์มูเดียวกันเขา้เขากับเขานะ่าเข้าไปเขาวัาดเขาว่าเบิรตแล้ว ลูกเต่ากอยกบวชได้ไหมเอ้ยอายุยี่สิปีแล้วขั้นเลนื่อยไก่ไปคนนีหามีดลูกมีเมีย ม, ม, ม, มันกาชิอยากสิบว่าเดบวชให้เมสั่มเพาน้ำยังเป็นลูกไส้เดียวของเมสันได้ไหมเอ้ยพ่มีหม่องเพลิงหม่องผ้าอาศัยสันติเมคิดดีดีเบื้องดูอยากที่พี่น้องเพื่อจังพอมีอยู่ตัวเมสแท่จังไดก็กชิบวชให้ได้บัดดีวาสันละมเม้ยูดู ส, ส้สัมบ้าเอาใจใจเธอเดอหันน้ เขามันบลัมบลุ้ยคือพอใจกรรมนั้นเป๋ได้รู้เขาบลัมบลุวยคนกับสิบว่ให้บวชคน ม, มันไม่มลูกหลายผู้หลายคนาหาเงินหาข้ามซอย อ, อันนี้แม่มีแผยเถ้างอกเงาก็พราะแตกแต่อันสอยการบักเผาขายเพราะแต่ได้ข่าหมา ก, กับผู้เท่านั้นวะนี่แหละเมยเอ้ยย่อนว่าห่อถูกข้าวยากได้ศาสตร์นี่ตะกี้ต่กอนศาสตร์กอนนี่เขาบวเคยได้กินได้ท่านบวจักเมย ข้าวทุกกะทุกศาดนี่แหะซาดน่ะยายมันถูกถอแม่เออค<ม>ันอยากหวาดดีๆแม่เสผ้าไปกู้ไปยืมฉ<า>ันต<า>ัวมันจังเสียได้ปวดเออบอมี่กะจาหาบอมากกะจาขอบอมากกะจายืมสะกกอนตเมนอออันแม่สิไปยืมใส่ละคอดออกบอมอะรเมย์คนละม่ะสิไปยืมนะแม่เสียทีบันผ้าแก่คนละเออแม่น่าด้แม่บ้าเรื่องนี้แม่เสียีนี่ผมคือดออกประบาดนี้ ผมไปเดี่ยวว่าให้เหล้านั่นอยู่ประจําอยู่ตัวหลาม่เอื้นเดือนเพิ่นกบอะไรไห้อันดุกให้เต่าพ่อบาดพ่อสาต่างเจ้าห่เจ้าเข่าเจ้าน่ะไมากินแม่น่ะเมยไปให้แม่ไปบอกแม่จ่าเพิ่งกลับหรือล่ะอันแม่มาเอาถาแม่อยู่ฮี่นเด้อเออไปบอกนี้ไปใส่เด้อย้อนแม่กลับมาเสี่ยไห่ไปช่วยงานพ่อไนเป๋เออเอาเอาไปแม่ดันแม่คนแม่เช้าวันนี้พูดปาจีลําพันกับบุตรชายจบลงแล้วนางก็กินมากพรู เพื่อจะเดินลงบ้านแต่ยังไม่ทันได้ลงบ้านก็เห็นคุณแม่เศรษฐีเดินทางมาพอดีนางจะออกเอ่ยเผยว่าจีว่าอย่างไรโปรดน้อมใจรับฟังนิทานธรรมเธิดท่านสาธุชนวันนี้ขอกล่าวถึงแม่เศรฐีติมพะลุอีกครั้งหนึ่งที่เทรษีติมพะลุแห่งหมู่บ้านทุนนะคมเมื่อลว่วงเลยยามที่ทีละวัดเคยปล่อยบัวไปเลี้ยงตามท้องทุง่ง จึงรีบมุ่งไปสู่ที่บ้านของแม่สาวาทีแล้วเอ่ยพาทีถามด้วยความโกรธออกไปว่าอ้าวแม่สาวานี้แม่ป่าไหนที่ระบาดดันสิไปปล่อยง่าง ม, ม่วเว้ากันเรือกอี่หยังจะสืรื่องเบาเงื่อนจ้างเดี๋ยวไปเอา้ไก่จ้างนเป็นนี่เป็นสินคาแล้วเปหยังมาหาไปใสไปจ่ายเป็นหยังมาบอกลูกบอกเต้าไปป่งวงปล่อยข้าไปเลี้ยงเ อ, อ, อไปกินแตนหั่งในงหนมาหันมาคือขืนใจเช้าแท้ เออนี่ลหละยาเศรษทีติมพารูเอ้ยตัวของผมนี่พว่วงไม้เรื่องปรึกษากันกับคุณเมย์โแต่ว่าเรื่องยังบอท่านแล้วพงสิบัวได้ ไ, ไปอย่างง่ว่าให้ดอกเรื่องมาหนิยาเมสิทีได้บัได้เข้าใจไปมีเรื่องอยังกตามตอนไปเลี้ยงง่ว่าสากรร้อนหลอนว่าคาเมื่อแล้วจังมาแจ้งดอกเรืองลาวง่ว่าเป็ น, นพนันพันตัิทมาเต้าไปอย่างย่างกตานหันนี่บัได้ไปไปปล่อยง่ว่าอยไปเลี้ยงเข้าใจไป แม่แสดเทตินคูติมพะรู้ไว้ว่าแม่นติ่นคูว่าแมาเธอเนแม่ติมพะรู้แม่ขอโทษนะห้องจะ่อยร้ายๆคอยกรชั้นคอยกระชั้นตัวอันนี้แหละแม่อันเน่ยแม่ติ่นคูนี่นะโอ้อันติมพะรูนี่แม่เพื่อนี่เดืออาดดีใจเดือดใจดีเดือดสีเกาตัวแม่ หากคนหูดังล่าภาษาดังซัมมี่คงเป็นดังธรร ม, มดาดอกผมมบาแม่กะบอกว่าวเป็นฟังในตี้ว่าเฮ้าสองคนอิปรึกษาหาฤกษอิงังกันดามแม่กะกำดักแบบชื่อสาวสาวสาวมอต้องจ่าเอ้ยว่าติมพะรูได้ยินเบิดมันได้ยินได้ทสา ว, ว, าวาเรียกหัวผูงแฮงห้ามหูจักแล้ว ขันอยากตายเบมือั้งสองพ่แม่ลูกกับพะการเซาเรียงเลยไอ้บัดท่านอยากไปยูนั่นไหมไงทองเด้อขันน่ะเพอยากไปมักจิได้ไปมือนี่ละเมือนบะแมนจิตเซาเลียงดอกนั้นแม่เดี๋ยวนี้ที่ละวัดละนันอยากบวชเหลือหลายเตะคอยจนปัญญาสืบพืนเหลืองถาทายนีแม่จะการรุณาเป็นเจ้าภาพจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งโดยเจ้าข้าฟังเ้านีเสียเงินตัวนี้ สา ว, สาว้าม่อต้องจ่าเอ้ยว้าไหนเรื่องสเสียเงนินเรื่องเสียเอาคือว่าจ่าไกลไนไดนกับควกมาเอาจนได้ต้วงคอยนั่ น, น, นแม่นัวนเนี้ยมันขีบ้าห้า ม, ม, มันเนี่ นี่ฟังบอกกองบ้านเทือกต่อกองที่เจ็บน้ำแล้วเทือนคํามาเจียนเยียบเสียนนั่นก็คือผูหลูเหนือแต้มคู่ส่วนเน อันภาษาหนุกดอกยีแก้ว้าบ่เนียงเอาหูฟังบ่มีวังที่จะคำที่หนกมันดอกจะวาง เยนซ้ำหนาวงวามงใหมายายคนจนได้จาว่าเข้ามาใส่แม่ใช่สิปากหรือสีอายจนหน้าบีบดอกแล้วแอวอย่ามาว่าต่อเรื่องบุน วานาคิดว่าแต่ค้งังคุณเจ้าตัวขอตะคุณเ้าหาเพี้ยนตนไปแม่จากเพียงคนเดียวบวชเรียนบ่มีจอยในแต่อ่อยใจสางทำการงานอย่างขยันเพียนแล้วเก็บเมียนเฮ่เฮ่ที่ได้มังมีบ่แม่นบุญซอยคำอีอย่างซ้ำทอมีง่า สีมาลอยเฮ้าบ้าเปลี่ยนเจ้าภาพเสียเงินทองของเท่าสาสิมาพุ่นตอดเอแม่เท่าเาออคืคืคืคนน้าและคนบ่เคยล่ำเตยที่ล่ำเปลี่ยนท่ามาน้องจังหวัดเตยหรือว่บบ่คอยบง่งัวจนไปขอให้เฮ็ดยังกะเฮ็ดด้วยคือสุมบ้าก่อพาลา ให้เหลียวเบืองโน้นนั่นทอดฝ่าที่สูงทองจากเพียงใดไป<อ>ไปบอกลูกชายผู้มีน้ำที่ระบาดไปปล่อยมาดอกเดียวนี่สางบาตัวบ่บางมีงามเห็นสั่งขี่ยมามให้อาดอกเย็ยนย่างรูปล่างตัวนั่นผู้ให้แสนสี่เอกจำเลี้ยง แค่นะำเพิ่วิ่งกายอยากวิ่งเบิ่งแน่บ่อขาเจ้าคอ ว่าคนจองหวังมีอย่างเดียวแม่นวัดดีแม่นอีลีโบลาเว่าเฮานั้นเปลียนคนจอยยาที่ไปมักหนาสันศาตกายวัดคองเคียวจากบวชลูกเจ้าของให้เพื่อนนเพื่อนเลือดหล่อข่ค่คงองงนไงสาวทอนา nhà ơi cha nan là đời tha gia cứu เจ้าเม้าเมาวันนี้ขันหกักหลกงท้ายเจ้าบวานั้นเป็นผ้าเป็นจัวไปเลี้ย ง, งว่าได้คือเดิมคอยนั้นพ่อมีทางช่วยเ้าบอกหลกไท้ายของเจ้าไปปล่อยง้อปล่อยข้าไปเลี้ยงนั่นเป็นหยังอันเมฟังเสียงบเบา่บบไปแต่ดิเพิงในผ้ า, <พ>าเทา่าเม่หอมใช้บาไดบ้างสิเยาหยอดแช้ฉินแ่แม่คนนั้อย่งห้องแห้งแต่คนด้วยห้องแห้งฝันอีกบ่เม่เอาเจ้าส่เปหยังเม่ อ, อันนาหน่อยเ<อ>ม่นั่นจำไว้กับน้าเมศฐีนั่นจำไว้หลายปันด็กว่าได้ยินขคาัว่าเม่จาไว้อยู่จำไว้อยู่สองพันจำไว<อ>้สองพันจำไว้โดนใบหนานั้นป็นเด็กว่าจักโดนจาก น, านั้นปานไดัดแด่พอสู ต, ตายาอยู่คนหนาอันได้ใส่เพิ่นได้ยังน่ะเม่บ่บ<า>โด<อ>นก็ไม่ได้ใช่ดอกก็ไม่ได้ใช่อือชาเบิดพ่<า>อแม่ฟาโทเม่ซําพ่อดอกนอกเพิ่นเกินเสียงใส่เอาจังสีสาน่าหน่อยที่เม่จำไว้นั่นดุเตาวา ขายให้เพินมันขาดจิตซะเม่เอ้ยขายแมนเด้วาขายเหตุจังไหขนาดไปแม่ไปดับหน้าชาเพราะแหงเร็วาขายเดี่วพันชินีจะเกี้ยวเขาหรือมันหับปีชื่อมาแม่เอ้ยดูคิดดีแล้วคันมันเอาไว้เฮ่าก็บโบนีเงินสีไทเพิินดอกเม่ซ้ำบ่าน้ำหน้าเท่าหนิกับสิบนหน้าเพลนชื่ อ, อผมว่าซ้ำมันบวชขาดจิตนี่ ขายหเพินเรวเรียวเือหนน้าก็ใสหนีเพล่นเือจากนีเดี่ยวเขาจังสืบเฮกองบุญกองท่านเพะเห็ุบุญเห็ุกุศลตัวเมไปหาพอเฮาเมเอาจังสันเอาจังสันตัวเมยเลยเอาจังสันปรึกษาเพื่อนเบงปรึกษาเพื่อนเบงขอกว่ารากหากดีกว่าช้างเมยเออเนนายฉาดเดียวเมื่อมาหม่องดินไตเนี่กับบ่ได้บ่จับทองสีขายบ่จับทองสีจับน้องกหลุดนน้นหายจ้เดวเขาบอมีสันเมเอ้าขายก็ขาย แม่เศษเท่แม่เศษเท่ห์หยางเออหยางแห้งก็เดืองกระด้ถ้าค่อยเบ้าค่อยจ่าคือค่อยนี่กระไดอีตัวคุณนายศาสตร์เมียหน่อยพ่อเนเป้เด้เนี่ยรื่องหยางเบ้ามา่บางคนหน้าเดียวอ้าวเจ้าชื่อเป็นหยางแม่อ้าวจังได้คือวันน้าของข่อยนันขายได้เยอะบางแปดพันเจ้าเพิ่มอีกเก้าพันก็แล้วกันเป็นหยางเจ้าทั้งเบ้านี่สิมาเจ้าขายหน้าน้อยให้สิเออ โอ๊ยหน้าท้อหมาดีตายพ่อขี้ขายพ่อขี้จำบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นคอยบ่าจำคอยขี้ขายตัวไปโรยก็อนน้งค่ะมาได้บ่ได้เข้าใจไปขันอยากขายนาน่อยเงินยืมมาพ่อมหาปลาหน้าต้องหาม้าโซ่ไสจนหมดเที่ยงจังสิ่ยอมคอยบ่คิดดอกคิดแยกขบุญพ่แห้งแล้วตัวย้อนว่าที่เราบรรลุกช่ของเจ้าน่ะไปปล่อยง่ายคอยฟีฟีซื้อดิขันว่าต้านปลาในดอกมันจะบ่เออสาวพ่แห้งแล้วตี บามเมืองก็น่าสิเอาจังไหนอีขันหาเขาท่านั่นตนคอยสิเอตามขันหข่อยบ้าวโฟ้าเออขันอยบ้าวโฟ้าันดอกก็หาคอยืมเด้อขันหายืมกะสิหาืมอ่าบ้หาืสินั่งมันอยู่จังสี่ละมนาแนดาาลนามตลนน เอาบ้งบาไห้บได้บเหยวนี่แม่เ้าซื้อกาได้ตัวไห้บนเป็ดยังเหรอน่าคือติมาคากเนาะไห้น่ะนาะเออมาคากปามันยังดังไห้อยู่บัาเจ้าของผวชื่ว่าให้ยังกลวงไก่กะดือกะโดทไห้อยู่บัามันได้พัสดหลืงตีปอเอาไห้ตคึ้นมันชื่ออทีก็ได้เพื่อคอยน้าเน่าโหดไห้กะพีหัวกเพีจังสีตะคนทุกคนอยากมันมาดบมวย บ้าห่าไม่แม่มาดอกฉันนะดวงเอ้อน้ตดวงดวงความเอาพ้นคือลายได้ดวงใหม่ย่งกว่าเขี้ยนละม่ละม่ดวงสลายดี แกวเมียผูวแพงหมองเมีนเนเยมมนื่อยาอเป็ดแต่เมียเฮหาอยเมียนี่มองใบละท้า ้อยเรือตอนฟังเบอรมีเอ้ยความตุ่งยากเมียแตงเอาเมีแต่สาวละป่าลฟเผาจวดยางเจ้อวดาสนาเจ้าบอมีเสียงที่หวังขาดไปบ่สมหมวงโดดเรือนละ เปรี้น้ำบุลและเดีอดข้างแต่ปังก่อนได้น้ำแตงอะการเจียงเทีงเป็นเจียงทบาต้ขาบขัดตันตืน้ <c oughs> และยาำจนมาเอือดคนเพึงย้ำถูกมาเอือดคนเล่ Lan melom e khong <laughs> la ham, <laughs> luoc <laughs> me va san ao tu tam ha phu sung ha phu o n trong c o bang a p bo je k h hanh เีนเห็นดีแต่ ข, ข้าเกี๊ยวังเมือเ่อผัวเฮาเมียมวนเปียน่องกับแม่แบบนี้ดอกแม่เฮ้ยขันมีพออันคือสีบรถูปล่อยาสายแค่ยาง<อ>ทำยงหลอดเบิดแต่ผู้สวยปัดสวยแล้วหลอดซ้ำมาอย่าหายแม่บอกคนฟังนี่ดีเล แล่ว่าลมมันแหลฟเธอมาบ่อนลูกหลุดลับวังเมียว่าจคุนดือด้ แม่อยากทำแม่อยากเหล็ดแม่อยากปุ่นแม่อยากแปลงแต่งเสร็จตามใจแก้วแต่แวแนวสิพาสูดหรือพ้าดูผาดานลาละพาเม่ปิ้ลเน็บกะเทียม และคือเงินข้ามเพียงอย่างเดียวแต่ขาดสิ่งนี้แล้วใบหน้าจริงแล้วสิและลูกแม่เออจากวันเว่ า, วามั้บอ่มีพูตสิมาเห็นลกูกกัมมอ อันมาคว้ามทําถูกจนนี้ลบหัวปันมาตัวยานมัวจังลบหางเรือหูจังลบหัวลวบเทาโบราณเบาพอทวงลายสามและปีนี้น้องควมให้ลูกพักไว้หอดปีไม่จังไครจาน้อคำน้อบวาทสนาเฮาเมียจังบวดเรียนทอนอทา คำแม่หม้อข้าวสิล้มเอยละยาเป๋อข้าวเล้งละหาวแมเกือนมขิกู ลาพ่อยังน้่งกักขังตัวลาเนี่ยังน้องผู้พ่พอเจ้าก็หมดมีตายแล้วบ่ไหวแม่ <coughs> By my man. <JJonakAndrew> สำนับจนแม่น so ี่อยากให้บวชโยพ่อตายอยากเห็นไส้ผ้าเหลืองแถบสิตไว้เมียนแต่ว่าแม่บิปัญญาเราหลักคำเอ้ยไปไปจืมน้ำพ่นนกับบ่หาดอกพ่นบ่ห้เอาหนีเก้ามาใส่สักก้นพนะเออพ่นว่หาใส่นีเก้ามดซก้นจังสีหายันติเมตเออจังได้หาน้ำตาเป็นสายเลือดกับ่ได้หรอเอออ่ะ กันสั่นกัฟังดูฟังเต่าสีบลสูฟังกันเดอร์เมอเอ า, าเบาเบิ้มหาเบาแล้วกัห้าเจ้าพ่อได้คืดออกซอยกันสัน่นโตแม่ม่บวบปากตามากมาไม่ให้ข้างๆ ห, หนนันผานันไปใช้ะไม่ใช่บวใช้หไม่ใ่บวกตามากไม่มให้น่นันเมเอ้ยเออนั่ น, นละเอามาเอามาให้แม่แมันเขี่ยวน่เนี่ đ ด y là nhiên chàng khiến kinh phà ลาว่าแม่นฝนสิ่ตกมาจนน้ำฝานั่นได้ปลาและผู้อาวุโสให้ดอกเช้านะเดือแห่งสุ่มดอกซึ่งซอยบาดเอาเทะกระเดาเบาาื่อละเตยเอโ้ยนอดอกลำเตยพ่อพมาเอ้ยดอกลำควันดาส่วนในใจกระน้องคือผู้ลาฟังจนดวงเตนลาละลำบอสเปลี่ยนจากล่องเตนลาละน้ำเข้าบังจากท ละหน้านยาไก้เอาเหลือนู่คาร า, าตินแกงแกะควันพามาดูดใสจเฮตินโอ้ยเสียใจเดียนและเสียใจเดียน บัวพ่พอพัอนนันเท้าเสียนและส้ำดิดงไงโอนล้มหนากจาักเขา่าดื้อเขาตาพุ่นเต็ม อ, อกดอกจนโนนอาสะจันเพื่นเหลืองพาสั่งมางามโซภ้าเทีนดอกดีว่าอยากสูงนุ่งบาทศสนาหากบ่สูงดวงชะตาหากบ่สวยอีกบุญกินแจงมิลามอนโอ้ เหนือยือใจเดือละเหนื่อยห้งเพียนเรียงม้อนหมายอยากดุงทรงแพ่ใหม่บาทเอาไปเอามาม้านบาดพีอันเป็นไปบ่หวงละม้อนดอกเบืองเดินหลักทักแ้วเดือสรงข้ามหม่อบุกหัวใจดอกเอ้หน้่มเดยวไม่ใหญ่ผินมาซอยโอ โอ้โๆเอาเอาเอาเออาเออเาเอาใส่ตรงนี้เะเด้อโยมเด้อขอบบุญขอบคุณเออเศ้าหิ้วซามาซอยกองบุญหนักกำผาซาถูกได้บุญเด้หลายเด้ออืออ้าวผัวหแม่โยมก็ะดัยมาซอยเอาขอดใส่หล่ะแม่ใหญ่เขว้นเงินใบลอยมินมก่อนแล้วได้บาทนึ้าถูกขอบบุญขอบคุณเน้อ โอ้ยซอยได้บุญได้หลาย โอ้ยคากเดาวนื้อส่งคาห่อและบวกหัวใจลอกเอหน่ล้วมล้อมเขาทุกฝายและขวากะมออันตรลยสายกะมอหมดเมียันยี่ดังนาะดังกันและจมแต่เพียงเท่านั้นจึงเบาตอผู้มันดาและอ้น้ำตาลูกผู้ ใจมันนั้นด่าคาเพียงละบ่อยากได้คนเห็นแต่จำเป็นยน่ญิงลเอ้ยวันเวิ่งมันดาไทยว่าเมื่อ ัวเทียนใจลูกชายพ้นผู้ก่กยตานหรือดอกเบ่าต่อละญาติพี่น้องทางพ่อหรือทั้งตนน้นแม่นันบันสังนอ ก, ก็หูบาสังอ้ยเดี๋ยวนี้ใจลูกนั่นน้อมยังเขาไฟข้องขนาดจงสงสันที่ละวัดผู้ลูกชายในเด้อแล้วและลูกอยากแทนบักคุณแก้วต้นบิดาผู้ใบาบางหรือขันเมีย ดอกสิบปอนละบวชอุทิศสว่วนกุศลไปนำสู่ผู้พอนั้นให้เน่าฉันและและทียงวิมาแล้ลละานะ ใจกะซอยดูกซอยเต่าทอเมดูกจากบวชอยากเงี้ยนเห็ุจังไหมูเขากะเข้าไปแล้วอายุกะยี่สิปีแล้วดุเ ก, กวกะอยากบวชส่นตอเมจังไหนกะสงสันหนาสงสันดังสงสันปากในทอเมเอ้ยสงสันตาห่องกล่องทั้งสองเบื้องปากบอเป็ี่นในทอเมดกเต่า อ, อยาบวชเฮงเฮงเดเม จงังใดก็ใจเชีวบวัให้ยใจแบตเตอแม่นอ่ะแม่เอ้ยเอ้ยแม่คือมาหมดผนทางเหลือด้วยลูกเอ้ยไปยืมเพันกับบ้าหายชีเฮ็ดจังไดหันนะโอ้ยเอาใจสี่เป็ยังเม่ฮะเจ้ากระล้องไปเบาอีจักเถื่อจักขังเน่เป็นอยังเม่เพื่อสิบหเห็นใจบอดูกเต่านี่เด้ไปเดี่ยงง่อยเพิ่อนอยู่จังสี่เม่เอ้ยซอยดุจ<า>กจักขังจักเถื่อใน่ถอไปอ่อนไปบ้นเพิ่นจันอเม่เนาะอ้า คันโดบ่าจังสันแม่กะซีร้องเซียงอือบังจักที่อเออพนหักบ่าตื้อเท่านั้นที่มันคองโลกเมนแม่บัดเมนตัวมเม น, นเนี้ยออขันไปบ้าในลูกเต้าสิาไปน้ำนี้แม่เออขันไปบัดนี้ยางน้ำกดแม่เด้ อ, เ, ดอเออหาจังไหนจังนึงด้อล่าหาจังไหนจังนึ่งยอกยีแม่ออหาบ่าเป็นทาก็ฝ่ า, ฝาจูงแขนแม่รัดงไปบ้านผ้าแก้วน้อยเด้อ้ <laughs> าไปไก่แต่แม่เลยเอาเอา หูกะสิไปน้าก no well, ันนี่แหละไม่แต่สุปดังไสนี่แหะเมให้จะสู่เม่สู่สู่เออไปย่างมันนะคันเพลินว่าใจบกการบริกรสั่งน้ายดีเมย์ไปเอ้าบกลาเออเอินได้เปียงลูกเอากะสิเมยนั่นตัวเป็นผู้เอินเมเพราะว่าลูกเต้านี่เ่อเ็นสเอิเจ้าเป็นผู้ใหญ่เจ้าเป็นเมเจ้านั่นะเอินเมยเอ้ยเจ้าจังสีคืออด้เม แต่สิบัดทางเสียงชแม่ยีดีเอออดเอาเมย์ุ่นพนังยูบันดังใหญ่ใหี่นี่ของชีท้องพ้องคนนี้เบิ้งไผ่ไนเดอร์ไผ่นงเป๋เออเอิญเบิ้งแม่เอิญเบิ้งแม่เศษเทยูวาน้อแหละแม่ยูบัณยู่นะแม่เศษเทยังเอิญยี่หังหล คืออที่เอื้นคือไอเดียวกับพ่อตัวเออหักวาตัวนี่เลื่องมีเล้าอีหยังกันเยว่ามาเมื่ก่อนน่ะเดือก้าหันด่จ้าเรื่องหยังเลี้ยงก้าเรื้ ง, ร ง, ร ง, รงไม่ขอม่ติหูน้าเจ้าเงินจ้า่คยคือสิมาแฮ้งน้องเงินน่ะนะอเออทางไหนลต่ชาวบ้ า, บานเพิ่นไปรับจ้างรับใบเอ่า <laughs> ถ้ของเกิดเป็นเมื่อเป็นแว่นผ้าตั้งแต่ลูกแต่เต้ามาหายืมเงินยืมค้ำคอยกลไปรับจ้างน้าเพลินไปดับนะเขาบอว่าคอยดํชาช้าเขาบอกคอยค่าตั้งแต่เจ็บแลอลเขาได้มาจ้างป่อยมากยืมค่าปานเป็นยังว่ไปยืมมาต้นดอกเพิ่อพ่อยา่ผุ่นชักก่อนชาอ้ง<ม>างบ้าอาดอกหไหนแม่ยัยทองสา ลาเก่าเถื่นตนเทิดถี่ทานผู้มีเงินไหลสีบกอดพอดว่าเอือดแต่บาดเบียนสมมาสางหลดมามงอามอนนี่นี่นั่นหัวมือเกิดดอกว่าบุญพอปันตุ้นตืดขวายํำกับขวายเอืดรังตอมสี่สุบนอนเวลาฮอน หวัวสะลนผงวาจองมองหาคนที่ปลอดปอยเดียวนีนางลอคอยที่ระวัดผู้ลูกจางจนเพียนตึงบ่อโพวหวหวังอาศัยท่อยายผัวไปเลี้ยงซอยในจากวันแล้วพัดเปลี่นตาแดงบอกว่าไปบอมีได้ วางอาศัยสมลูกจ้างต่างมีการดอกงานเอื่นหากตนเองที่ย้อมเพื่อนปล่อยผงว่าไปเลี้ยงนั่นกระเจียสันเผาเททีเลยเรียบกลับมาเว้าจีลูกจ้างเก้าตามเอาตัวไปปล่อยงว้าที่วัหิวกิ้วอู่ถอนออกหาเลี้ยง เลท่านเสียงแบบขึงก้าเบาสนิทบ้สโซภาพปันพี่บ้าเกิดเจ็บป่วยตามวิสัยของคนรวยตามความมีเบื่อโยฟาตีนนาสำยากมาในคืคืนคืนคืนคืคคคน เฮ้อ่พ่อห้องๆๆะะยังแห้งก็รอะท่แท้แทบนแพแก้วเขาจึง น, น่ายไตยเหลวนายกางที่เราไปในห้องยี่นี่พ่อสมื่นสามคืนเอืออเออขันชันก็ห้องซามันสวดออก่ชาช่ันไดก็ะได้สวดออกมาโลดสวดออกมาส่วนน้องท้องขางนางเต๊กมันไ่เนียนก็ได้สวเ <ๆ S 2> บิ่งกันได้กันด้ไม่บวเลย ห้องเจียนา่จนถ่วมบนนี่เด้อพ่อได้ย่ไก่ล้โพงขีหูเแดงดองๆเด้อบอยาหนูคู้หูเพี้ยว่ า, าจ้ไหนที่ลวัดบอกว่าว้เป็นยังต้าง่เอเบิดหูความือหยาพาัตีเพียนบรายปล่อยอสี่ให้คอยหอดจานาพุนเหลือว่า คุณเลือว่าค่ะคะค่ะคะค่ะ่ว่นจังได้ก็คือเบิดนคกข้รวยให้ว่ามาณลานาลูกเต้าห่าพีโลนค่ะ ข้อมคอนจ่มันไม่ลงขอนบอกดิวโอ้ยบอกมันถึอเนีเป็นเศรษฐีอยากไอ่นี่เป็นยังหล่หลูกหลานเานั่งเบืงนั่งฟังอยู่นานอยากอ้ยังบอกว่าถือว่าไม่ก็ได้ตัวคนรวยเฮ็ดจางไหนก็บ้นาเกียรติได้นอกไม่ไงเออเอยเราในไม่ไงเอเลาขจบาทเน่นะขคออลน คือคือคือคือคือาคเดิมห้องปัานไดกับว่าน้ำหมกน้มใจห้องน้ำสองคดแม่ลูกนี่ไม่ใช่ใครอยยังมี้จักสามปากมึงดิใคยจะห้องคืนพ้อมือนกันเหลือหมกเหลือใจอ้าวเอาแม่สาววันนี้แม่ปานายสิเท่าเบาเรื่องบวชนี่แม่เหรอคือมีแล้วก็หาคามันตายแท่ เาบอกลูก้ายของเจ้าไปปล่อยเมื่อปล่อยพวกคอยไปเลี้ยงนั่นเป็นยังเป็นยังตนแหน่เมศธีท่านไปหาคนมาผุนไปบอกแม่ยายบัวบรรพาแก้วไงผุนเปียงไปเลี้ยงชอยหันหนาคอยบอกไปุบะแพ่ตนเท่าเขาก็ไปจังไห้กูเฮ็ดจังได้ก็ยังว่ามันอยากบวชกันยังว่าดูเต่าอยากบวชเาเมยเอ้ยสอยดูซอยเต่านี่ยถอดนี่แหละเ่ามย์จะสิมาคิดต่อถอน่าเมยเศรษฐีเอ้ย ในเมื่อบรรุกว่าเต้านีบรดไอ้ปวดจ้างเด็กยังกระซังจ้างเด็กสร้างกระพสนจ้างเด็งคนกระตามสร้างเด้อเมื่อนี่อันบ่ไปเดี่ยงงัวหิ้งแม่ดอกมีขั้นบอดไอ้ปวดหิ้งแม่น่อไปหาคนไม่เี่ยงเอาเองโดดเออตายใช่เนาะคนนะตายตายไม่ไงบาดผาเกว ืว่ว ข, ข่อยจะไปขี่จา้ากองทาบ้านน้องอื่นนี่นองก็ยงจะมาสืบปุ๋ยข อ, อกอยู่ยันเรองมาขีง่งัวขี่ขวัวข่อยปีปละยี่สิบาทานีิบบาทผุนเร่อปี น, นึ่งนั่นะโอ้ยบกนุ่คนทุกค น, ย า, นกยากนี่จะไม่ยากเป็นซาไม่ใหญ่อเอองัวาบาักขี่แี่แท่ง้วเองเลยอ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋้อ๋ออ๋อน๋ออ๋ <laughs> <laughs> ออ๋อาาอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ สอ2คดแม่ลูกเป็นอยัางบ่าพักกันไปท้งให้ทงหน้าไกันไปหากินหยากินเพื่อนอะเมื่อกี้ท้เม้วกับจ้าเมอ้วจะมันเบ้าบาดข่อยคักแม่บัวเอ้ยเห็นบาข่อยทุกข่อยยนกขอกับบาพ้าลูกข่อยเห็นหาคืองัวคือขวยด้วยวัดวานในเม่เอ้ยอยากบวชอีหลีนตียาวก็อยากบวชนเม่ซอยดกซอยเต่าในท้องเมือแค่แก็ชีบวานให้ได้ว่าทันทอเมอ่า อยากบวชหาน้องเอวมันหนังกระเดือกจะแม่นเบาบะแสจะแม่นเ้าบะใสผงสีโดดหนังกระซังอ้าวขันอยากบวชอีหรี่นะขอจีถามจะขอสองขอเว่าให้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่บันฑาเก้วมาฟังเบิงจ้าเมื่อนี้เพื่อนกระเฮฟกองบวชเพื่อกันกำลุท้ายเจ้าอยากบวชจ้าเพราอยากห่วงว่าอานิสงการบวชนั้นเอาโลกเพื่อนหลานเพื่อนมาบวชเป็นนิ่งได้อานิสงจากกาบลูกจากของได้จากกาลุว่าวแม่มึงก็น่า ใจบ่ยิ่งพึงบาทไงบวชเน้นอันนี้สงอาว์ฮู้บ่อาเดียวเลยใครใครเคลียร์จักรันเลยจักรบานะฟังังเฮไปใช้ก็รอดไอเดียวบ่แม่นดับน้ารับจังเลยดิเอาหนึ่งคิดยากคิดซ้าทีเอาบวชเอาเ ร, รูพันหลานพันมาบวชเป็นสามอนเน้นดีอันนี้สงสีเก้าสีกาลูกจากของหลานจากของบวชเป็นนี้เดีจักรเก้าเดี๋แปดก้าเดี๋ปดก้าเอารูพันหลานพันมาบวชเป็น้าไดี๋ยวจักรเก้า ดเพันหลานพันมาบวชเป็นพระได้แปดกับได้แปดกับลูกจากของหลานจากของได้จากกับได้ชี้หอได้ชีหกผู้เพิ่นล่าลูกล่าเมียมาบวชได้จากกับได้3ามชี้สองได้สามชี้สองเพิ่นเมียสองคนสามคนได้จักกับชีสองสามเป็นสามชี้สามามสองเ่นเมียสองคนสามคนดนวันนี้พูดเอา ว, ว, ว, ว, ว่าเป็นปีขั้นะาถามไปถามมากับมาฮ้องใจเอาละ ข้าอยากบวชอิหรี่นั่นเฮาสีซอยเป็นฟ้าละฟังให้ดีนะจ้าเออแต่ห้ามบวชเป็นพระโยเกินเกดเมื่อเข้าใจไปเอยพนเปลเอ้ยสิบาป่านเล่นหาวัติือหันอีเกหงังกะ้างเอากะเอาเอาฮะทีนี้ย้อมให้ ย, ยืมเงินท่านกะหาปาน่ะ หากเกินเจ็ดมือแล้วหน้าน่อยตองขาดกันนะทีบอกไห้จ้าเมื่อใดเมื่อใดกับมายืมแต่เงินคอยนั่นล่ะเมื่อนีแห้งว่าท่านหมานเพราะแต่ใดร่อยจ้าโอ๊ยมันจีพ่อกองบวชไอ้แม่พ่อเลยจ้ามยเด้อซอยดุซอยเต่าเมยมีเงินกว่น้เอาคักคโจกออกมาไอ้มั่เบิดซอยดุซอยเต่าหางลายไตบ้านตเมืองเพื่อนไปหาลาบจ้างลาบบายเออเอา้านแม่นเงินลายแม่งกระดาษทำระ โอยเจ๊จังไหนหลามันจีบผอมีไงบ้านผาแก้วได้ไปไหจะแมย์พ่อเด้อจะมเด้อเจแม่นอืแม่นอยากเงินนี่ก็ไดอือโอิเจ๊จังไหนลูกชายสาวมหญ้าสาวันนี้จะได้บวชละไม่ไงมาซอยกันเด้อพูทธาาบาทจีบบาทข้าจันบ่ได้บวชคักเอาพลอันนี้ชงน้ำกันเมื่อนี่คอยจีแบงเมื่อพูลธกาบสองกาบ มาชอยทำบุญน้ำกันขันบ่อข่าวพีข่าวนองเฮ็ดจังไดมัจีพอเนาะเมย์ยัยพุทลาบาทสองบาทกางเงินตัวเอามาเอามะเอามะข้าวเอามาเมย์ยเพ่งกราล่างสีโจกเมยเอาาเ อ, าาอ <c oughs> เ, อเอฮ็จังไได้ได้ภราอันนี้สงน้ากันตัวขันบ่อจังชั่นลูกใต้ของเมย์ย่เสวาวันนี้มาจิได้บวชได้ดเลียงเนาะขม้าแมย์ยัขม้าขม้าเอามานี้เอามานี้เงินลอยาวหนึ่ง ว, ว, ว, วัวนมัจีพอ พลราชาบาทชีบาทกัเงินตัวซอยกัดเด็กําลังขันกองก่อยกองก่อยเขาม้าเลยเขามาอีเมีเขาม้าป้าโทรผู้นำกับเขาม้าฮะนะเขามาหนีแมียบ้างใช่หนีโลกซอยเมียพลระบาดพลระชซอยเพิ่นในเมยอเอวยเอาญาติว่านหลวงเอาใบพัดมาให้คอยเด็กคอยได้ละเบิ่งกะคักเลยเป็นช่ยกันได้ทอดไดกะเอา เอ้ามะเอา ม, าอามาันใชนี่จ้ า, าอโอ้ยอไฮเบิร์ชูองนี่แหละถ้า <c> ว <oughs> จิโต้ทางเดียวแต่ว่าคอยกับจีไฮเล่ายือดอกละว่าเข่ามาอีแม่เข่ามะเข่ามะเข่ามะใครควรจีนั่งหวัวขวัญซื่อตัวหัวขวัญเสียงอีชานบอดดีนั่งหวัวขวัญอยู่ใกล้ป่านนี้เด้อจีบอกใครอืมอามะนี่พออ่อเอออะมะนม่พอเข่มามะเข่ามะเข่ามะ ่อยกันหาบาทชิบบาทกันนั้นตัวซอยกองบวชโอ้ยพ่อไญยไม่ไยบอซอยสิไปหาใส่มันจังฉีพอ่ออืเข้ามาีแม่เขามาเขามาเข่ามาเหมือดจุคนโลดเขวาวาวาหยังดอก่าอโอ๊บัดนี้ลระมันลูกใา่เมย้ายสาววันนี้จีใดบวชอืม จ้าอืมท่านหาบาททีบาทกระไรเป็นเ ท, ทีตีมหาเ ท, ทีตีปุนเด้อให้เงินคำลังมาไหลมาจ้าลูกชายกำผาคือกันโอ้ยบานีดับอาจีได้ผัวลูกจีบ่ได้เป็นกำผาอืม ไ, <ห>ไปเนาะไปใช้ห <ไป S 2> ลักพ่อไงอันบ้านพ่อไงโอภาษไปใช้แล้วแ ม, ม่นีหาข่อยได้ <laughs> ใเนาะพอออกม่ออกไปใชเนาะพมาเอาไปให้เราดูหนังอืมพัดิมาอีนี่มาเอาให้คอยได้บ้างชาตกแก้วนันเออบ้างชาตกลอมเออม่นี่มาหาไม่ใช่ถีนังนั่นเออนั่นเดี๋ม่นี่เอาช่นี่งไหมหลีอันมันบ่หาดอกอืมเออก็เสดได้ยูดอกสตา เออใช่ันน่ะอีเมยเอายืนขึ้นอีพ่อยืนคืนเอ้ยืนคืนพ่อได้ยืนคืนมายืนทั้งนี้ให้พ่อพ่เห็นได้หลายคนเออแต่เขากล้องพ่อหวดนไม่ใหญ่บ้านถาแก้วเออปัจิว่าน่อยบอบอกเบาๆเด้อเงินหมวนนี่เป็นหลักฐานพยันคอยเถืงเจ็ดมือเจดวันแล้วคอยไปน้าถามพัจจว่าน่อยใจดาบ่ได้เด้อืมเอาอีพ่อเพชังสี่เอาพ่อเออเอาพ่อกรอบเอาไม่ตั้งสี่หลาย ตัวนี้อาไปเห่แล้วตัวนี้ดอกมันหักไปต้ักเวลาเถอไปเห่แล้วตัวนั่นอมาเบิงเมือให้เมยที่แพ่อสิบานั่นดเศรษฐีซอยกองบวชนพ่อได้ป่ะได้หพ่อได้ป่ะได้หอเมยเอ้ยอยวาเบิ้งกันจักร้อยจักพันเมย์จักพันเมยเฮ้ยจักพันนั่นน่ะแบบเดียว บาดเดียวว้าวเนื้อเป็นห่อเป็นพกจังไรจังช่อยบาดเดียวจังไแล้วเป็นเนี่ยใส่บาดเดียวอยู่ใส่เอ้ยก็บาดเดียวหะนะเมื่อพักแล้วตี ทงนี้กรบบาทเดียวปิดบ้างทางหนี้กับบาทเดียวมีหนังทั้งนามันเดืกเบิงนันลาเหรียญพันนะเหรียญพันแ่เมืเหรียญเอื้ออาทรตัดแต่ออกจากตรงสินแม่มากกับบาคนเห็นเหรียญพันจากท่อนันลาเบิงใบซอยเหลือคนยากคนจนเหรียญพันจังไดจังแคหน่อยเหรียญก็น่อยตัวคือกันตัวกับเพื่อนเอื้ออาทรถิมจะกตาแบบชิบ่าคนจะหาเบิรมือผมด้วยจากทีเห็นนะเน็บแม่ไ ไ่ได้ให้ไปหนีบหูไวเอาออกเนบใส่หรืหนาเออใช่ปากไปก็ได้ใช่ปากก็ได้ขอยบอท่านตายก็พหนาแจาคแล้วนัดฉัว่าใครกว่าเนีบหูจโอ๊ยย่าแม่มีนังเอียเงินบาทนี่ตตขึ้งมื้อฉันแล้วมันคือเข่าหัวปลาถามดีก็ได้ถามให้ก็ได้ส้นอ้า คอยไปท่านให้ลูกคอยไปบวชเออไปท่านให้ลูกคอยไปเลี้ยงงัวดอกอ ค, คอยชิไปหายืมเงินอีกก้อนรอนบาเงินเพราะเรียบร้อยจังจะให้เท่าไปเลี้ยงงัวถาถ้าบ่มีก็ไปเลี้ยงเราเองเลยปาตี ปฏิปัตโทษปรจัตาวาห้าย่องเยวตอนนี้มาทำเม็ดมาจางช่วยใส่เทเออ่ยยู้ดีๆทีได้เป็นเล็กเลี้ยงหัาวบานิเมะ่านิเมะโอ๊ยว้ามากจะมันคอยอยากเป็นอากาศไปทำยัยเห็นมันเลี้ยวเป็นฝนชาพอแต่ห้างเขาเขาเนี่ยอย่างเงิ้เป็นปึ๋งข อ, ดขอได้บัตรเดียวพี่น้องเอยนาสงสารยิ่งแม่ใม่ย้ำลูกชายสิเขาบวช โมเขามีพอหนกักจาเพียนเทาเบียกพาตรายซุ้มโมูนาเคลื่อนไกลๆมีล้นตีทั้งปีฟาดเครื่องเสีบงานมีคือคืนพายหญิงใหม่รถบอมีเท่้งเป็นสินเป็นเอวมะชางเป็นเทืทั้งเป็นสิ น, เ ป, นเป็น น, น, นี่ยืมเงินค้ามาใส่ายทั้งลูกชายเมื่อบวชแล้วถึงเก็มือต้องหางสินขอเลียนเสื้นญานยุย ได้สลับรับฟังนิทานเทศเรืองหน้ากาผ้าน้าตาหญิงหมายสืบต้อไปมวนมวนผูคาบัดเน่ ทำเป็นสาวสาวบทกวันดื้อจอนเขาคายภาคบรร ญ, ญตัตการตูกตั้งคันเป็นเด่นนั่นเทศนาละและทรงมือเอืย้ยพันบามาเอืดอยาคันเข้ากะาเม่นมือทานเข่าจันท่านเม่นดอกไฟไหลพอกพอยและเม่นละกาลิน ละเย็นเย็นเอ้เมนเดือนเก่าหนาวหนาเอ้ยดอกเบญดอกเ ด, อกดือนเย่ละมิดมีแม่นภาสาไทายธาแม่นอก่าละพีสีมากระบาท่านไกเดือนต่อไปกระบอดอดนนาบท่านหอดอดหลอดโคตรยังบ่ได้เม่นทางใหญ่ดอกแห้งดู และเสียงจุกรูนกเขาห่องเทืองกกให้ตั้งไหร่แล้วและสาทย์บอมเนนกเขาไปอย่าไปอยากได้ให้มันนันห่งอยู่แตีและมันลองและจังว่ยบัตี้นั้นที่จักตอกสารได้ขาดเบาตามกว่านธรรมบัตย์พึ่งได้เปลียงแหลงบัน และเมื่อนั้นขวบมาถึงดอกวันมือและบันภาเช้าเบี้ยนมาหดหดดูกช้ายหนากกำผพาปูนหัวแล้วดอกฝ่าวดอกแต่งตัวผูโพดมาคือส่วนที่ขาดหัวเพื่อมา่วเถือไา่กินดอกด้นหและบอได้ยินเสียงบุงสาหยาดที่กาดอกไก่ไก่น่ะใส่ต้นมันดาแก้ว่ะและเพียงคนเดียว แั uh, กเอ้น้อง ดอกเอโนโทนกำทำนาเทียนหละคันมีพอยังอยู่พอมม้วนมุยญาติพี่น้องคองในเต่ามาเสือนดรมนะและความเทน้อสิ้นโพธความมาซ้อมเบิ้งพากสุ้มเขาและสร้างมาเกินตนของเฮาซ้ำบาดินดอนวงนั้นหางไกลกับทั้งฟ้านและหยาิน้ำตาแลโน้ แก้านเลี้ยงเลี้ยงดูผัวแม่ด่าน้ำตาไหลบาดดัง โอ้ย้ามสูตรขวัญเอ้ยไข่แข็แลา่าน่าเอ้ยลา่าคำเอ้ยการเกิดเป็นมนุษย์นี่โวดประมันอยากยิงเมื่อฟังแล้วนั่นเงาเดือดีและเพิ่นมาคุ้นพอแม่นี่บ่อมีสิ่งอันใดเสียงต่อให้เองเอาโลกามาสั่งสาบเทียมทั่และไพแล้วต้นเขาบรรพ ช, ชาโนโพดดีซาละตอบมคุนสองเคราาื่อนตังพอกับ บางเกิดเก่าและแทนคุณเขานั้นคานำน้มนา และพ่อกับเมโนสิเด็กมุมนและเรีกมุมจากนารกตกอาบายบาดยำตายวายมูดได้เบิ่งเมื่อดอกเมืองฝันศาสนาพอโคเฮานันดอบัมีเบื่อมีวันที่สิเสื้อมดอกพ่อหน่อยและปิติเกิดนั้นแถบตัวลอยและโอ้คำสอนโองผัวท่าเจ้าพ่อสงฆ์ แม่นลาคาเพียง น, น, นัน่นละนั่นะ